4. ตุวัตตะวัคสิกขาบทที่หนึ่งสองร้อยสามสิบสี่ภิกษุณีสองรูปนอนบนเตียงเดียวกันต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังนอนต้องอาบัตทุกกฏเพราะพยายาม 2. เมื่อนอนแล้วต้องอาบัตปาจิตตี